พสมัยก่อนก็จะท่องโดยมุขปาถะใช่ไหมอย่างเช่นเขาเรียกว่าเรียนบาลีใหญ่ก็อัดโถอัคราสัญญาโตมาว่าตามการให้มันแม่นๆนะใครว่าเพียนก็ไม่ได้ก็เรียนอยู่นานกว่าจะแปลภาษาออกทีนี้แปลภาษาเสร็จกว่าจะไปอ่านหนังสือเป็นภาษาบาลีอ่ามันก็ยากนั้นการศึกษาเมื่อเทียบกับสมัยนี้แล้วสมัยนี้สื่อการเรียนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอ่าหนังสือยังไงก็ที่มาตรฐานนี่ก็มีเยอะ ซึ่งผู้ที่สนใจจริงๆก็สามารถที่จะค้นคว้าได้หรือว่าในเช่นอย่างเทปอย่างเงี้ยใช่ไหมฟังรอบเดียวไม่จํำอ้าเก็บไปฟังอีกสองสามรอบก็ได้หรือว่าอ่านเองไม่ได้ให้คนอื่นอ่านให้ฟังก็ได้ตาไม่ดีก็ให้ลูกให้ล้านอ่านให้ฟังก็ได้ทั้นซึ่งเมื่อเทียบกับสมัยก่อนแล้วสมัยนี้เจริญเจริญสมัยนี้เจริญกว่าเยอ ะ, อ ะ, อะแล้วก็ยุคต่อๆไปกรรมคุณ5ก็มากขึ้นแล้วก็ขอบเขตของนักศึกษาอย่างนี้ก็จะจํากัด นึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้โดยยากการที่พระผู้มีพระภาคจะอุบัติตรัสรู้ก็เป็นของยากแล้วยุคต่อๆไปคนที่จะมีบุญหรือว่ามีสติมีปัญญาหรือว่ามาทุ่มเทให้การศึกษาด้านนี้ก็กยากในช่วงที่ก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวนั้นนะ่ะบางคนก็ผ่านรอยบาปมาค่อนข้างมากประกอบอาชีพที่เป็นไปกับกายทุจริตวจีทุจริตและก็มโนทุจริต พอมาศึกษาเข้าเอ๊ะถาบาปมันมีจริงเราก็บาปทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วก็รับไม่ได้ไม่อยากศึกษาก็ไม่อยากศึกษ า, กษามีแต่บาปทั้งนันเจอเจอเจอแต่บาปข<ๆ>ูงตัวเองเยอะเจอแต่บาปแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คนอื่นซึ่งสนับสนุนว่าบาปมันไม่มีจริงก็กล่าวไว้เยอะนั่นก็ที่จะหันพาตัวเองเข้าไปหาป่าปะมิตรก็ง่ายนั้นคําสอนก็จะค่อยๆหมดเพราะคําสอนเหล่านี้เป็นความรู้ ความรู้ใดๆก็ตามถ้าไม่มีคนสืบทอดความรู้เหล่านั้นจ ะ, จะหมดไปเราไม่รู้ว่าเล่มไหน <c oughs> คือเรายังไม่รู้อัธยาศัยเร า, าเรานี่อัธยาศัยยังไงพระไตรปิฎกเนี่ยมีหลายแบบเรียกว่าพระสูตรคำสอนที่ประกอบด้วยองค์เก้าเรียกว่าสุตตะเขยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตะกะชาตะกะอภูตธรรมแล้วก็เวทละในคาสอนที่ประกอบด้วยองค์ก้าเนี่ยถามว่าเราชอบประเภทไหน บางคนเนี่ยชอบเนื้อหาที่เป็นไวยากรณะเป็นคาําอธิบายลุ่นๆเลยอ่าเช่นอภิธรรมบางคนเนี่ยไม่ชอบชอบเป็นกร า, กาเป็นกรอนเครืต้องไปเรียนประเภทคาถานั่นแหละบางคนเนี่ยชอบเกี่ยวกับเรื่องเป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเป็นราวก็ต้องไปอ่านเรื่องของชาดกเป็นต้นบางคนเนี่ยชอบแบบแผนเนติมารยาทต่างๆ ต, ต, ตรงนี้ก็ต้องไปอ่านพระวินยัย หรือบางคนก็ชอบเกี่ยวกับ ว, วิปัสสนาล้วนๆก็ต้องอ่านมัชชิมนิกายมัชชิมนิกายเขาเรียกว่าคำพี ม, มหาวิปัสสนาเขาบอกงั้นถ้าหากว่าผู้ที่มีอัธยาศัยชอบนับหนึ่งสองสามสไปต้องไปอ่านอังคุตระนิการนั่นแหละหนึ่งสองสาสี่ห้าหรือว่าพูดเลยลตัวเลขเลยนึงได้แก่ธรรมะหมวดหนึ่งหมวดสหมวดสมหมวดสีหมวด5จนถึงหมวด11อย่างไงสังคีตีสูตรจนพอหรื อ, ออ่านทีขนิกายสังคีตีสูตรก็ได้ หรือบางคนเนี่ยก็ชอบเป็นรวบรวมเป็นเรื่องชนิดเดียวกันเลยเอาตาก็ตายอย่างเดียวนี่แหละตาหูจมูกเล้นกายใจเนี่ยจะเอาแต่เรื่องนี้เรื่องอื่นไม่เอาก็ต้องไปอ่านสั่งยุตานิกายนะหรือบางคนจะชอบอ่านในลักษณะขันห้าขันห้าพระพุทธเจ้าแสดงไว้กี่ในสติปัฏฐานเนี่ยแสดงไว้กี่ในต่างๆโดยข้อมูลแง่มุมต่างๆก็ต้องไปอ่านสั่งยุตานิกายนั่นแหละหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากัสสปะ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติคนโน่นคนนี้ก็ต้องไปอ่านลักษณะของเทระคถ า, า, าเทรีคถ า, าบางคนเนี่ชอบแต่เรื่องบุญเรื่องกรรมอย่างเดียวถ้าทำอย่างนี้จะได้เหตุอย่างงี้จะให้ผลอย่างไงก็ต้องไปอ่านอปทาน <c oughs> นั่นแหละม่อชอบมองชีวิตเมื่อแสนกลับที่แล้วอย่างเงี้ยแสนกลับที่แล้วไปให้ทานกับใครไว้ลายแสนกลับนั้นอ่ะเป็นอุปนิสัยให้ได้มาตรัสรู้รำเนี่ยก็ต้องอ่านพวกอัปทาน หรือบางคนก็ชอบอัธยาศัยที่ชอบเป็นนักท่องเลียกคำคมอ่ะนะชอบคําคมก็ต้องอ่านพวกคาถาธรรมบทนะเช่นธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วแต่ใจเงี้ยถ้าชอบคําลักษณะนี้ก็อ่านธรรมบทเราะนั้นอัธยาศัยเนี่ยหลากหลายเราไม่รู้ว่าเราอัธยาศาัยยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํายังไงที่กุศ ล, ลจิตจะเกิดอย่ารู้แล้วต่อไปมันคงจะค่อยๆสังเกตไปเรื่องโครจรสัมพัญธยะอะไรนี่นะฮะ หรืออาศรมโมหะสัพพัญญะเนี่ยผมว่าเรื่องนั้นจริงกินถ้าลองมาคิดในชีวิตประจำวันนี่ครับสมมติว่าวันอาทิตย์เนี่ยนะครับท่านจะไปไหนสักแห่งเนี่ยท่านลองคิดดูเถอะเอสัพทกะสัพชัญญะมีไหมไม่ไปได้ไหมไม่ไปไม่ได้ชีวิตเราเกี่ยวข้องเราต้องกินเราต้องอยู่เราต้องทำมาหากินไม่ไปอันนั้นไม่ได้นี่เป็นสาพทกะเห็นชัดเจนแต่ไปแล้วเนี่ยกุศลเกิดไหมเนี่ยเนี่ยนะครับลองคิดดูนะบางแห่งไปแล้วไม่อกุศลบานเบิดเลยนะเนะ แต่ถ้ารู้อย่างนี้ก็ยังดีแต่จําเป็นต้องไปใช่ไมครัเราก็ยังสังวรยังต้องระวังใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ทําให้เรียกว่ารู้ว่าไปในที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยเราก็รู้จักป้องกันตัวมากขึ้นใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษบาปอกุศลถามว่าคนรู้กับคนไม่รู้ทําบาปใครบาปมากกว่านะคนไม่รู้บาปมากกว่าเพราะเขาทําด้วยความสนิทใจเต็มที่ลยเต็มที่แต่ถ้าหากว่าคนที่รู้ถึงทํายังไม่ได้ แต่เขาก็ไม่ยินดีในบาปถามว่าบาปจริงๆอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่สภาพจิตนั่นแหละผู้ใดยินดีในอกุศลมากผู้นั้นก็บาปมากถ้ายินดีในอกุศลน้อยก็บาปน้อยนั่นแหละเช่นยกตัวอย่างว่า <c oughs> เราจะต้องไปงานสังคมนี่นะครับไปงานเลี้ยงไปส่วนใหกินเลี้ยงโต๊ะจีนเอาอย่างใหญ่เลยหรูเลยนะไปเลี้ยงงานธุรกิจแล้วนะไปโต๊ะจีนไปเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนี่นะไปสัตตกาสมัญาไปมีประโยชน์ไหม มีมีประโยชน์ไม่ไปไม่ได้อ่ะเพราะผมคาราว่านะไปเออไปแล้วนี่นะสับปลายะไหมไม่สับปลายาแน่นะต้องไปอยู่ในวงเล่าอยู่ยาปาร์พิงใช่ไหมครับแต่ถ้าบุคคลไม่รู้นะไม่รู้สับปลายสายสามัจัญยาก็หมายความว่าก็โจรเข้าไปเต็มเต็มเลยใช่ไหมครับเจ็ดถานแต่ถ้าคนรู้เนี่ยนะยังองแทนที่จะสองแก้วอาจจะเหลือแก้วเดียวอะไรอย่างนี้ไหม<า>เจ็ดานก็ลดหน่อย อ, อันนี้ผมฝากใครไม่รู้ให้อยู่ในเนี้ย ก็คือถ้าเราจะสมมุติถ้าจะต้องเสียเสียสิบใช่ไหมเราก็มาลดเสียแค่ห้าใช่ไหมถ้าจะบาปสักสิบอย่างเงี้ยคือถ้าบาปจนถึงขนาดจะด่าคนอื่นนะก็คือโกรธแล้วสามารถที่จะด่าคนอื่นได้แต่ก็โกรธเหมือนกันแต่ก็ไม่อ้าปากด่ามันก็ดีกว่าด่าใช่ไหมมันมันก็ค่อยคขยักขย่อนไปเรื่อยทีนี้เราก็ต้องยอมรับว่าบาปก็คือบาปอกุศลก็คืออกุศลทีนี้ก็สุดแท้แต่กรรมสกตามากถ้าเรากรรมสกตามาก ทางออกมันก็มีอยู่หรอกนั่นแหละมันก็ค่อยๆหาทางออกไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีกรรมสกตาเลยไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสัปพายะสัมปชัญญะไม่มีสาต ก, กะสัมปชัญญะพิจารณาในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเราก็ยินดีแล้วก็ยินดีพระองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายยินดีในการมคุณหเหมือนกับคนที่เข้าไปเที่ยวสวนนั่นแหละเข้าไปเที่ยวสวนก็เจอดอกไม้มาก ก็เพลิดเพลินยังชมดอกไม้ไม่หมดแล้วก็หมดเวลาชมซะก่อนดังั้นบอกว่ามัจจุย่อมพาณระคือมัจจุก็คือความตายก็ย่อมพานรชนทั้งหลายผู้ยินดีในการมคุณซึ่งยังไม่ทันอิ่มเลยก็ต้องตายนี้จากไปแล้วทีนี้ความตายในพระพุทธศาสนาพระองค์กล่าวในลักษณะว่าคนที่จุติเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นนะ เขเรียกว่าสมมุติมรณะที่ใช้คำว่าสมมุติเพราะว่าวัตตะสงสารในภพสกัมเนิด4คติหไม่ได้มีแค่มนุษย์สภูมิอย่างเดียวใช่ไหมพอเป็นมนุษย์ก็จากมนุษย์สู่ส่วนใหญ่ไปอาบายข้อความในพระไตรปิฎกนี่กล่าวเยอะว่าสัตว์ทั้งหลายส่วนใหญ่ตายแล้วจะไปสู่อบายทุกติวินิบาสนรกเหมือนกับนกที่ติดขายในพราน น้อยตัวนักที่จะหลุดได้นั่นแหละหรือจนบางแห่งบอกว่าลักษณะว่าสัตว์ที่ตายแล้วไปอบายทุกติวินิบาติพอพอกับเขาขนโคลั ง, งั้นตายแล้วไปสุคติลูกสวรรค์พอๆกับเขาโคทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจแล้วเอาเรื่องกรรมที่เป็นคําสอนมาเทียบเคียงดูแล้วว่าเราเนี่ยเป็นเขาหรือเป็นเป็นขนถ้าเรารู้ว่าถ้าเป็นเขาเขาชนิดไหนให้ผล ถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยด้วยบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะเกิดเป็นมนุษย์ชนิดไหนถ้าไปเกิดเป็นเทวดาเราจะเป็นเทวดาชนิดไหนแล้วจะมีอายุอยู่ในเทวดาอีกกี่ปีถ้าตายจากเทวดาแล้วเราจะไปที่ไหนต่อเรามีสมมติว่าวันเวลาวันแต่ละวั น, แ ต, วนแต่ละวันที่ผ่านไปจิตใจของเราทั้งหลายเนี่ยไม่ได้หลับตลอดใช่ไหมเมื่อไม่หลับตลอดมีการพูดการทาการคิดอยู่เสมออยู่ตลอดเวลา แล้วสิ่งที่เราพูดพูดอะไรสิ่งที่เราทำเราทำอะไรสิ่งที่เราคิดเราคิดอะไรพระองค์แสดงว่าถ้าหากว่าคำพูดที่พูดออกมาเป็นวัจีกรรมด้วยอำนาจเจตนาที่เป็นไปกับการพูดเรียกว่าวจีกรรมเจตนาที่เป็นไปกับพฤติกรรมมีการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเรียกว่าเป็นไตยกรรมนึกคิดเป็นมโ น, ม น, มนกรรมเมื่อเป็นกรรมแล้วเนี่ยกรรมมีผลไหมมี เมื่อกำมีผลถามว่าสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเรื่องที่เราคิดแต่ละวันเนี่ยเราคิดเรื่องอะไระในในแง่ของธรรมะนี่ไม่ได้เอาเอาอะไรมาเปรียบเทียบกษณะว่าคุณคิดเรื่องทั่วไปเนี่ยสคัญหรือไม่สาคัญแต่ว่าความคิดอันนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั่นแหละมันดำหรือมันขาวนั่นแหละหมายความว่าคุณมีปืนอ่ะจะยิงใครก็ช่างเถอะก็คือปืนก็มีโทษอ่ะ ไม่ได้มองลักษณะโหไอ้ น, นี้สมควรตายไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้คิดใน ล, ลักษณะนี้แต่อกุศลก็คืออกุศลถ้าถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจเราเลยเราก็สามารถที่จะถามตัวเองว่าถ้าเราจุติพรุ่งนี้พร้อมไหมแล้วจะไปที่ไหนแล้วถามว่าคนที่เขาตายแล้วนะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยอยากตายนะนั่นแหละเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะตายด้วยนั่นแหละเขาคิดว่าเขาจะอยู่อีกนานแต่ส่วนใหญ่ก็คนที่วางแผนนานๆเนี่ย ส่วนใหญ่ตายเกือบเกลี้ยงเลยนั่นแหละแล้วเชื่อไหมว่าคนในโลกคนที่ตายกับคนที่อยู่อนไรมากกว่าคนที่ตายคนที่อยู่แล้วก็คน <ใช S 2> ที่ตายตายไปแล้วใช่ไหมจนพอมันเยอะกว่าเยอะคนตายเยอะกว่านะแล้วปู่ห้องปู่ห้องปู่ห้องปู่เราก็ตายมาหมดแล้วอ่ะแล้วหลานอย่างเราจะเหลือหรือนั่นแหละบรนผบุรุษของเราไม่มีใครเที่ยงสักคนหนึ่งใช่ไหมแล้วเราเนี่ยจะเที่ยงไหมจะอยู่ได้ไหมเราก็ตายแต่ถ้าว่า เรายังมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตัณหาที่นําเกิดอยู่จะเกิดที่ไหนแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหาว่ามันไปเกิดที่ตกต่ําถามว่าเราเป็นศัตรูคู่ฆาา่าจองเวรจองกรรมให้ตัวเองมาแต่ปางไหนแช่งชักให้ตัวเองเนี่ยตกนรกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนที่ทําให้ตกนรกไม่มีใครนะก็คือเรานั่นแหละถามว่าเออเราเนี่ยเป็นศัตรูกับตัวเองอยากจะทําตัวเองให้มันทุกข์ทรมานอยากจะหาบาปหากรรมให้ตัวเองขนาดนั้นเลยเชียวหรือนั่นแหละ แล้วก็ถ้าหากว่าเรามีความการุณาต่อตัวเองมากมากขึ้นเราจะเริ่มรู้จักการุณาคนอื่นมากขึ้นเราจะเริ่มหันมาทำสิ่งใดมีประโยชน์สิ่งใดที่มีโทษเราก็จะค่อยๆแยกแยะทางกายกรรมคนที่เริ่มแยกแยะแล้วสังวรกายกรรมวจีกรรมคนนั้นมีศีลมีมนุษยธรรมอุสลกรรมบวจะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าเขามีความเข้าใจมากมโนกรรมเขาเริ่มดีขึ้นมีเมตตามากขึ้น ให้ง่ายขึ้นก็เป็นอนัพิชาไม่โกรธก็เป็นอัพยาปาทะ<ม>เป็นสัมมาทิฏฐิที่เรณาในเรื่องกรรมและผลของกรรมมนุษยธรรมเขาก็เต็มที่แล้วะเมื่อเขาศบสมาธนประพฤติในมนุษยธรรมเต็มที่คติที่ไปของเขาก็มนุษย์บางคนที่อายุ่วกลัวบาปหนักกว่านั้นก็มีเทวธรรมเมื่อเขามีเทวธรรมฮิริโอตาปะเกิดมากขึ้นเขาก็พร้อมที่จะปฏิสนธิใน ในสุขติเรียกว่าสวรรค์เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นมีพรหมธรรมนัม่นแหละเขาสามารถที่จเจริญเมตตาให้เป็นอปปมัญญาเป็นฌานก็เป็นพรห ม, รมในขณะเดียวกันนั้นผู้ที่พิจะะนาจรณาในโทษภัยของสังสารทุกอันยาวนานยาวไกลเนี่ยที่เรียกว่าเหมือนกับทะเลทุกเขาเหล่านั้นจะเริ่มมาศึกษาชีวิตที่เป็นจริงทางตาหูจมูกเล้นกายใจว่า อะไรคือสาระจริงๆสิ่งที่เราสแสวงหาสแสวงหาสีใช่ไหมสแสวงหาสีเช่นไรแล้วความจริงของสีคืออะไรสแสวงหาตาใช่ไหมสแสวงหาจิตเห็นใช่ไหมสแสวงหาภาษาแสวงหาเวทนาเพื่อให้เกิดตัณหาใหม่ก็คือสแสวงหาพบอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นก็จะเริ่มเห็นทุก <c oughs> เห็นโทษของเจตนาแต่และความคิดแต่และความคิดเหมือนกับชายสองคนมาฉุดกระชากลากเพื่อจะตกไปในหลุม ฐานเพลินฉันเจตานาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดหรือเจตานาสมมุติถ้าเรามองเห็นนาฬิกาเนี่ยอะไรน่ากลัวที่สุดเนี่ยใคยเชื่อไหมว่าความคิดเราเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลย <Ooh. S 1> เมื่อเทียบกับตัวนาฬิกาหรือเทียบกับร่างกายทั้งหมดเลยนะความคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่เห็นนาฬิกานั่นแหละน่ากลัวที่สุดเพราะความคิดเหล่านั้นบางครั้งก็เป็นไปกับ กุศลบางครั้งก็เป็นไปกับอกุศลเมื่อไรเราจะเห็นโทษของความคิดเหล่านั้นแล้วปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดถามว่าข้อปฏิบัติเพื่อเบือนหน่ายคลายกำหนัดในความคิดคืออะไรก็คือทำปริญญาสในความคิดจนสามารถแยกแยะได้ว่าความคิดบางอย่างเป็นไปทางตาเรียกว่าจักขูวิญญาณเป็นไปทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณความคิดบางอย่างเป็นไปทางจมูกเรียกว่าคานวิญญาณ ความคิดบางอย่างเป็นไปทางลิ้นเรียกว่าเชีวหาวิญญาณทางกายเรียกว่ากายยะวิญญาณทางความคิดแบ่งออกเป็นสองอย่างคือมโนาธาตุกับมโนวิญญาณธาตุนะเ้าเรียกว่าวิญญาณเจเมื่อเรารู้จักวิญญาณเจมากขึ้นว่าวิญญาณเหล่านี้เขาเกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุกับอารมณ์ถ้าเขาไม่มีอารมณ์วิญญาณจะไม่เกิดถ้าไม่มีวัตถุวิญญาณจะไม่เกิ ด, มมญญม เ, กดเมื่อวิญญาณและ เกิดขึ้นโดยที่มีวัตถุและอารมณ์เป็นปัจจัยวิญญาณบางอย่างเป็นผลของวิญญาณบางอย่างวิญญาณบางอย่างเช่นกุศลวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากวิญญาณอกุศลวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดุศเกิดอกุศลวิบากวิญญาณถ้ากุศลวิญญาณก็ให้ผลเป็นกุศลวิบากวิญญาณอกุศลวิบากวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลวิ อกุศลวิญญาณอีกครั้งหนึ่งมันก็มีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ตลอดเหล่านี้ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยของเขาจากวิญญาณชนิดหนึ่งทำให้เกิดวิญญาณอีกชนิดหนึ่งมีแล้วก็หมดไปแม้แต่วิญญาณที่เป็นกุศลกุศลจิตเมื่อวานอยู่ไหมไม่อยู่ไ ม, ยไม่อยู่แล้วกุศลจิตขณะนี้จะมีต่อไปอีกนานไหมหถ้าหมดปัจจัยหมดอา ร, รมณปัจจัยเป็นต้นวิญญาณเหล่านี้ก็หมดหมดไปถามว่ามีสาระไหมไม่มีอะ กุศลจิตทั่วไปนะเมื่อเทียบกับอกุศลเนี่ยกุศลดีประเสริฐเลิศเลยแต่ถ้าเทียบในสัจจะจริงๆแล้วกุศลจิตเหล่านี้เป็นทุกขสัตกัจค่าที่เป็นจริงของทุกขสัจพระองค์ทรงสแสดงเพื่อให้สาวกกําหนดรอบรู้ในทุกขสัจทุกขสัจเหล่านี้เองว่าสิ่งเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยจจเกิดด้วยปัจจัยจากไม่มีแล้วมีขึ้นมีขึ้นก็ไม่ได้ถาวรอะไรนั่นแหละเพราะฉะนั้น ถามว่าเคยเห็นโทษของความคิดไหมข้อปฏิบัติในคำสอนคือตัวปัญญาที่เข้าไปเห็นโทษของความรู้สึกความนึกคิดเห็นโทษแบบคนรู้จริงนะไม่ใช่คิดว่าเบื่อนะนะสมมติว่าเบื่อเบื่อเบื่อคนที่บ้านกับไอเบื่อแบบรู้แจ้งแทงตลอดคนละอย่างกันเพราะว่าถ้าเบื่อความคิดจริงๆไอความคิดที่เบื่อก็เบื่อด้วยเบื่อในความคิดที่เบื่อด้วย อันก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเครียกว่าจนกว่าจะไม่ถือมั่นจนกว่าจะไม่ถือมั่นทีนี้คนที่ไม่ถือมั่นเนี่ยเขาจะรู้เองว่าเขาถือหรือไม่ถือแต่ส่วนใหญ่แล้วฉันไม่ถือมั่นแล้วแต่ก็ปล่อยให้อกุศลจิตเกิดบานแแบเรืยเสร็จแล้วบอกไม่ถือมั่นแล้วอะไรก็ไม่เอาสักอย่างเหลือแต่อกุสนล้วนเลยอันแสดงว่าคนที่จะมีข้อปฏิบัติเหล่านี้รู้จักสภาพจิตเป็นอย่างดีอันะห ะชะชะก็ชฉักกัสูนะครับจำคงจําได้นะครับผมตะกี้หูเลยอ่ะฉะชะกัสูรอะนึกออกไหมครับนัน่นนะครับทุกรพิสูจน์ทั้งหลายเราจัดแสดงธรรมแกเธอทั้งหลายงามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพัญชนะประกาศพรหมจารย์บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิงนะธรรมะนั้นคือธรรมะหมวดหกหกหมวดธรรมะหกหกหมวดนะี คงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับก็ก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์ถามว่าท่านพร้อมหรือยังที่จะตายอ่ะมันนี่สะกิดใจผมนะถ้าท่านเคยคิดนะว่าท่านพร้อมหรือยังเอ๊จะว่าพร้อมก็ไม่เชิงนะดูๆแล้วไม่ด้วยข่อยพร้อมเลยอ่ะไม่พร้อมนะแล้วก็เวลาผมก็น้อนแล้วอ่ะท่านถามมานี่ผมสะกิดใจเลยนะแล้วอีกคำหนึ่งที่สะกิดใจก็คือว่า ไอเราเนี่ยนะมันทําร้ายตัวเองอยู่เรื่อยอะ่ะคือถ้าอากุศลจิตเกิดนะมันทําร้ายตัวเองอะ่ะไม่มีใครทําร้ายเราเลยเราทําร้ายตัวเราเองอะ่ะแล้วมันแปลงนะเพราะฉะนั้นนะะคําว่ากุศลเนี่ยนะความหมายที่เขาบอกว่าได้แก่คำหนึ่งนะที่ที่ความหมายของกุศลคือฉลาดเออมันจริงนะถ้าอากุศลมันเกิดเนี่ยมันทําร้ายตัวเราเองเนี่ยมันคนไม่ใช่ฉลาดเลยนะ มันคนไม่ฉลาดอ่ะอันนี้อันนี้แต่ละคำในในพระพิธรรมนี่มีความหมายน่าน่าคิดนะบางคนก็หาเหตุผลจนตัวเองต้องเป็นอาคุสนะกล่าวว่าหาเหตุผลมารอมรับว่าสรุปแล้วฉันต้องทำอากุลอีกต่อไปอนั่นแหละ <c oughs> ก็บางคนส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะนั้นไม่เป็นไรนะก็อากุศลก็ให้ผลเป็นทุกข์ละแล้วก็ผูกแล้วก็เตรียมแก้ไว้ด้วยนะคือถ้าจะเป็นไข่อ่ะก็ ยังไงยังไงก็อย่าลืมยากันแล้วกันคือป่วยในยป่วยแน่อกุศลจิตเกิดขึ้นให้ผลเป็นทุกข์แน่หาทางแก้ไขกันแล้วกันอันในเรื่องของไตราสารณาคมนั้นวินิจฉัยในข้อที่6ก็กล่าวถึงความเศร้ามองของสารณาคมว่าไตราสารณาคมการถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสราร น, นนั้นอะเศร้ามองอย่างไรอันนี้ในโลกุตระสารณาคมนั้นไม่มีการเศรา้ามองพระอริยเจ้าท่านจะไม่มีจิต เป็นอื่นจากพระรัตนตรยัยท่านจะไม่คิดเป็นอื่นจากพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนโลกิยะสารณาคมนั้นจะเศร้าหมองด้วยความไม่รู้คือเมื่อไม่รู้ในพระโพธิ์ไม่รู้ในเรื่องของพระธรรมไม่รู้พระสงฆ์จริงๆนี้ก็ถือว่าเป็นความเศร้าหมองอย่างหนึ่งของผู้ถึงสารณาคมนัม่นแหละอ่าอีกในหนึ่งความสงสัย ในหน้าสิี่นะความสงสัยก็ชื่อว่าเป็นเหตุให้เศร้าหมองในสารณาคมเช่นสงสัยเอ๊ะพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์จริงหรือเปล่าหมดกิเลสหรื อ, อยังนะเอ๊ะพระพุทธเจ้ามีอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยสงสัยในคุณของพระองค์อย่างนี้ก็เป็นความเศร้าหมองหรือสงสัยในพระธรรมคําสอนหรือสงสัยในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเป็นต้นแต่ใช้ถ้าใช้คําว่าพระสงฆ์นะ ถามว่าที่กําลังออกข่าววันนี้เป็นสงไหมต้องดูนะถ้าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนก็เป็นถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นนั่นแหละความเป็นสง์ก็อยู่ที่อุชุปฏิปันโนเป็นต้นในขณะเดียวกันคนที่รู้จักอุชุปฏิปันโนเป็นต้นคนเหล่านั้นจะต้องรู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องรู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรรู้จักพระธรรมคําสอนเป็นอย่างดีจนรู้ว่า พระธรรมคำสอนเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติดีเนี่ยปฏิบัติยังไงก็คือปฏิบัติตามคำสอนนั่นเอง